ประมานิดหน่อยนะฮะวันนี้เป็นวันแรกที่ผมได้มีมอกาสแบ่งปันที่นี่แต่พอดูหน้าแต่ละคนแล้วก็ไม่ประมาแล้วละ่ะเพราะว่าหลายคนก็คุ้นเคยกันดีก็ <c oughs> ผมชื่อวิริยะนะครับก็รับใช้พระเจ้าประจำที่างานประจำนี้อยู่ที่โรงเรียนพระคิรธรรมกรุงเทพกิจตรศาสนศาสตร์บ i t ทนะฮะเป็นครูประจำที่นั่นแต่ว่าผมก็เป็นสมาชิก เก่าแก่ของที่บทสืบสัมพันธวงศ์แลตอนนี้ก็ยังมีส่วนงานรับใช้ที่คิสจักสืบสัมพันธวงศ์ด้วยนะครับก็ช่วงที่เป็นหนุชนก็เนี่ยพี่บี๊พี่อ๋องเนี่ยก็เคยได้มีโอกาสได้ดูแลผมช่วยดูแลช่วยกันมาไม่วันนี้อย่าหาว่าเทศนาเลยนะฮะขอแบ่งปันบางสิ่งจากพระคําของพระเจ้าที่ผมเรียนรู้นะครผมคาดว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็อคื อ, อหลายคนก็ลง ไอ้นั่นแล้วใช่ไหมประชานมติแล้วส่วนคนที่ไม่อยู่ก็คาดว่าไปลงประชานมตินะพวกเราก็เป็นพวกที่เหลืออยู่นะฮะแล้วก็หัวข้อที่แบ่งไปในวันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นพื้นเรื่องพื้นฐานเรื่องคริสเตียนกับพระวจนะพระเจ้านะฮะก็ถ้าใครเป็นผู้เชื่อใหม่ก็เรื่องนี้ก็เหมาะสมดีนะฮะใครเป็นผู้เชื่อนานแล้วหลายสิบปีแล้วเรื่องนี้ก็ยังทันสมัยอยู่นะฮะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานกัน สาธุการข้าแต่พระเจ้าที่รักขอขอบคุณพระองค์สําหรับาบ่ายวันนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีโอกาสได้มาร่วมกันนมัส ก, การพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับบทเพลงต่างๆที่พระองค์ให้ผู้นําได้นําใจของเราได้ชื่นชมยินดีได้ถวายอยู่ต่อพระพักพระเจ้าและเวลานี้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะม า, าจะจออยู่ต่ อ, อพระธรรมของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอยู่ท่ามกลางเราผู้ทรงอยู่ในชีวิตของเราแต่ละคนขอ อำนวยพระพรเปิดตาเปิดใจฝ่ายวิญญาณกับข้าพพงทั้งหลายทั้งข้าพระ่งที่เป็นผู้กล่าวและพี่น้องที่เป็นผู้ร่วมพิจารณาเพื่อเราทั้งหลายจะไม่ขาดต่อพระพรจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ร้อยท่าร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนเรื่องคริสเตียนกับพระวจนะพระเจ้านะฮะหรือว่าคริสเตียนกับพระคัมภีนะฮะจริงๆแล้วพระคัมภีร์เล่มนี้ก็เปรียบ พระคมพีร์เป็นอะไรนะภาพเปรียบเทียบหลายๆอย่างนะไม่รู้พี่น้องจําได้อะไรได้บ้างพระคมภีรเปรียบเหมือนอะไรบ้างเปรียบเหมือนเหมือนอาหารนะครับมาในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อที่4บอกว่ามนุษย์จะบํารุงเลี้ยงด้วยอาหารบำรุงเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บํารุงเลี้ยงด้วยพระวจนะทุกคําที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าคำพีเปรียบเหมือนอาหาร ให้กินและเข้าส่วนในชีวิตนะเปรียบเหมือนอะไรอีกพระคัมภีร์เปรียบเหมือนเปรียบเทียบพระคัมภีร์กับทองคําและเงินเป็นพันพันแท่งนะพระคัมภีร์บอกว่ามีค่ามากสูงมากกว่าทองคําและเงินเป็นพันพันแท่งนะพระวจนะที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์แสดงว่าเปรียบเทียบถ้าให้เลือกระหว่างสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์พระองค์กับเงินและทองคำเยอะๆเราจะเลือกอะไร คิดอีกทีเลือกอันนี้แล้วกันเดินไปซื้อบางพีไม่ใช่นะฮะอันนี้กําลังเปรียบเทียบเห็นถึงคุณค่าของพระคำหรือคุณค่าของพระวจนะในสูงมากนะถ้าคนเนี่ยสแสวงหาทํางานทุกวันเชา้ายันเย็นเท้าทันมืดเพื่อที่สแสวงหาเงินทองเพระวจนะมีค่าสูงมากสแสวงหาให้ได้พระวจนะให้ได้ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เพราะว่ากำลังเปรียบเทียบความสูงค่านะหรือบางพีบางตอนก็บอกว่า เพราะว่าชนะของพระเจ้าเนี่ยมีรสชาตินะฮะเปรียบเหมือนกับน้ำพึ่งพึ่งหวานยิ่งกว่าน้ำพึ่งเมื่อมาถึงปากนะแล้ว ก, ก, ก็พูดถึงพระคาของพระเจ้าที่นำไปสู่เหมือนแบบอ่านอร่อยความเบิก บ, บานนะว่าพงศ์พีไม่ใช่หน้าเบื่อนะมีบางตอนหน้าเบื่อจริงถ้าหนึ่งพงศ์สวดานบทที่หนึ่งก็บทที่เกชื่อคนเต็มไปหมดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคาสอนของพระธรรมของ พระงเนี่ยทันสมัยไม่น่าเบื่อนะจริงๆพ่อมพีเนี่ยเป็นสิ่งที่สุดยอดเลยนะเราก็มาพูดถึงเรื่องพ่อมพีด้วยกันนะในด้านหนึ่งนะในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับการอ่านพ่อมพีเป็นอย่างมากผมคิดว่ามากกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนถ้าสมัยที่ผมยังอายุยังน้อยอยู่นะพ่อพีก็จะมีไซส์เดียวเล่มใหญ่นะใช่ไหมฮะปัจจุบันนี้ก็มีหลายไซส์ไซส์เล่มนี้ก็ขนาดกลางนี่รุ่นเก่านะมีไซส์จิว๋วไซส์เล็กยังไม่พอนะ โหลดแอปฯนี่ได้หมดเลยนะมือถือใครจะคิดว่าเดี๋ยวปัจจุบันนี้มือถือก็อ่านพ้อมีนะหรือ i i p จน์ไอแพอะไรใี่อ่านพ้อมีนะหลายคนนี่ใช้ iPad อยู่ไหมถ้าใช้ iPad ผมเดาเอาว่ากำลังเปิดพ้อมีอยู่ <c oughs> หน้าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างาาให้ความสะดวกมากจะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้อ่านที่ไหนก็ได้จะฟังก็ได้พ้อมีแบบฟังก็มี หรือการส่งข้อความสั้นๆไ G หรือว่าส่งเฟซบุ๊ o เนีเดี๋ยวนี้ก็ตอนช้ามาขึ้นมาแล้วนะมีข้อประคำมาแล้วบุคคลผู้ใดผูสนใจพระวจนะจะพบของดีมีข้อประคำสวยๆนะปัจจุบันเนี่ยการเข้าถึงพระวจนะนง่ายมากแต่ในทางกลับกันนะฮะไอความการที่เข้าถึงพระวจนะง่ายแบบยุคไอทีเนี่ยกลับพบว่าคนอุทิศชีวิตให้กับพระวจนะน้อยลงใช่ไหม มีกี่คนบ้างในที่นี้ที่อ่านพมพีทุกวันวันละสี่บทยังยังใช้อยู่หรือหนึ่งบทก็ได้อ่านต่อเนื่องนะอาจจะมีบางคนที่ทําอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้าพวกเราเป็นคนกลุ่มน้อยรู้ไหมหลายคนเนะี่ยอ่านข้อสั้นๆนะะบางทีอ่านมานาะอ่านมานานานี่ดีนะผมสนับสนุนนะแต่อย่าอ่านมาน า, นายอย่างเดียวอ่านแค่หนึ่งข้อแล้วอ่านข้อความพมพีมานาะไม่รู้พมพีจริงๆนะหักไก่คือไข่ก็ไม่รู้หกักบกุ้คือไข่นะมีคาเสกคริยาเอาไข่นะ คนทุ่มเทกับพระวจนะน้อยลงจริงๆเป็นเรื่องยากขึ้นนะอาจจะมีเหตุผลหลายๆอย่างนะเหตุผลยอดฮิตไม่มีเวลาใช่ไหมหรือว่าพรมพีอ่านยากนะนี่เป็นเหตุผลหรือบางคนก็บอกว่ามาบททั่วทิตย์แล้วก็ฟังเทศอาจารย์อ่านให้ฟังแล้วนะหรือบางคนว่าผู้รับใช้นี่ไม่ใช่เหรอที่เป็นหน้าที่จะช่วยเรามีเหตุผลเยอะเลยนะแต่ว่าผมคิดว่าเหตุผลหลายเนี้ยหลายอย่าง ก, ก็เป็นเขา อ, อ้างเนาะ จริงๆถ้าบอกว่าพร้อมพีร์มีค่ายิ่งกว่าทองคําและเงินเป็นพันๆแท่งทําไมเราไม่ทุ่มเทที่จะเอาสมบัตินี้ล่ะนะคำถามคือถ้าพร้อมพีมีคุณค่าสําหรับชีวิตจริงๆปัญหายอยู่ที่ไหนทํำยังไงล่ะเราจะทุ่มเทกับพระวจะนะของพระเจ้าได้หรือว่าทํำยังไงที่เราจะไม่ขาดพระพรมีพระพรจากพระคําของพระเจ้าจริงๆแล้วหลายครั้งผมคิดว่าชีวิตเราขาดพรเพราะ ขาดการใส่ใจพระวจนะจริงๆพระธรรมเมเนหมีที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวอย่างของคนสมัยก่อนยุคหนึ่งที่เขาใส่ใจกับพระวจนะพระเจ้านะผมอยากจะนําเนฮมีตอนนี้มาแบ่งปันบทเรียนจากาจากคนอิสราเอลในช่วงนั้นนะฮะมีสักสสี่บทเรียนสี่เรื่องสี่คำกริยานะฮะคำกริยาที่หนึ่งคือคำว่าหิว หิวกระหายนะพระธรรมตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเบื้องหลังของพระธรรมตอนนี้เป็นตอนที่เนหามี ami, นะเป็นคนอิสราเอลในยุคหนึ่งที่อิสราเอลถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองเปอร์เซียแล้วก็เปอร์เซียก็อนุญาตให้อิสราเอลกลับบ้านเกิดพอเนหามีก็พบว่าบ้านเกิดเนี่ยกำแพงพังพิงพนาศเลยเนหามีก็อาสาสมัครนะเป็นคนที่กลับมาช่วยสร้างกำแพงโดยไม่มี ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีใครช่วยนะต้องกลับมาแล้วก็พระเจ้าก็ทํากันอัศจรรย์นะเขาสามารถจะรวบรวมประชากรของอิสราเอลที่อยู่ที่กลับบ้านก่อนเนี่ยมาช่วยกันสร้างนะมีปัญหามีอุปสรรคมากมายหลายอย่างนะมีการต่อต้านมีทำทำดูเหมือนจะถูกไม่เสร็จกาลังจะถูกผ่านความยากลําบากถูกขัดขวางเยอะแยะไปหมดนะแต่ที่สุดโดยพระคุณพระเจ้าเสร็จได้ภายใน52วันแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพระธรรมตอนนี้คือช่วงเฉลิมฉลอง นะเข้ามาเฉลิมฉลองกันในข้อที่1บอกว่าประชาชนทั้งปวงได้ชุมนุมพร้อมหน้ากันที่ลานประตูะไปลานเมืองหน้าประตูน้ำนะไม่ใช่ประตูน้ําตรงนี้นะประตูน้ําที่นู่นนะ <c oughs> เขาบอกเอสราธรรมาจารย์ให้นําหนังสือทำบัญญัติของโมเสสซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาแก่อิสราเอลนั้นมานะตอนนี้ประชาชนเนี่ยกลับมารวมตัวกันในวันเรียกได้ว่าทีเเา่เขาเรียกว่าวันต้นสัปดาห์ ่วันต้นของเดือนที่เจ็ดวันนั้นเป็นวันเหมือนกับวันปีใหม่ของยิวจริงๆแล้วนะเป็นวันเป็นแรกแรกเทศกาลแรกแรเลยที่ที่ ท, ที่หลังจากกลับมาเป็นเฉลยเขาจะเริ่มเฉลิมฉลองพอเริ่มเฉลิมฉลองตอนนี้นะคนยิวกลับมาปั๊บสิ่งที่คนยิวเขาขอนะฟังให้ดีนะเขาขอจากเอสลาเขาขอเอสลาที่ธรรมอาจารย์บอกช่วยนําหนังสือทำบัญญัติโมเสสมาอ่านให้ฟังหน่อยพูดง่ายๆนะให้นํามานะ เขาเริ่มต้นที่อยากจะให้เอสราเนี่ยเอาหนังสือทมบัญญัติโมเสสมาอ่านนะทำไมล่ะนะ่าแปลกนะทำไมเริ่มต้นเขาอยากจะฟังล่ะแทนที่จะบอกว่าเอสราจะบอกว่ า, าพวกเรามาฟังทมบัญญัติหน่อยอาจจะเป็นว่าช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้มีโปรแกรมอะไรสำคัญเอสราคงยังไม่รู้ทําอะไรแต่ประชาชนเป็นเป็นฝ่ายอยากจะฟังทำบัญญัตินะเพราะว่าอะไรเพราะทาบัญญัติสนุกเหรอ มีเรื่องน่าสนใจน่าตื่นเต้นหรือเปล่าคงไม่ใช่ทำบัญญตัติคือคําสอนจริงๆแล้วก็คือพ่มีผีห้าเล่มแรกนะหรืออาจจะเฉลยทำบัญญัติเล่มเดียวก็ได้นะจริงๆแล้วสิ่งที่เขาอยากจะรู้ตอนนี้ก็คืออยากกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยากจะฟังเพราะว่าไม่เคยฟังมานานแล้วไม่รู้เลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นชนชาติของพระเจ้าแบบไหนกันไม่รู้ทำบัญญตัติไม่รู้พิธีการไม่รู้พระเจ้าต้องการอะไร ตอนนี้คือเวลาที่เขาอยากจะกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้องเขาเลยเป็นฝ่ายที่จะขอให้เขาเอาธรรมบัญญัติมาฟังนะอยากฟังกฎเกณฑ์เหมือนกับอยากจะรู้ว่าพระเจ้าอยากจะบัญชาอะไรอยากจะรู้ว่าฉันจะต้องทำอะไรบ้างนะไม่ใช่เรื่องราวสนุกๆ น, นะในข้อที่2ข้อที่3เอสร า, าทำอย่างนี้เอสร า, าปโลหิต ก, ก็เลยได้นำธรรมบัญญัติเนี่ยมาหน้ า, ามาที่หน้าชุมนุมชน แล้วก็มีผู้ชายผู้หญิงแล้วก็บรรดาผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจได้นี่หมายถึงเด็กที่เด็กโตนั่นเองนะจะอาจจะหมายถึงอย่างนั้นนะฮะก็ไปที่หน้าลานประตูเมืองที่ลานประตูหน้าประตูน้ํานะข้อที่ ส, สบอกว่าอย่างนี้อ่านตั้งแต่เช้าเขาอ่านตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเที่ยงวันต่อหน้าผู้ชายผู้หญิงและบรรดาคนที่ฟังเข้าใจได้ประชาชนก็ตะแคงหูฟังพระธรรมน่าคิดนะฮะ เขาอยากได้ฟังปั๊บพออ่านในสมัยก่อนนะเขาเพื่อนอ่านก็เอสราห์ก็ไม่ได้มีโปรแกรมอะไรนะเพราะต้องอ่านกี่หน้ากี่ตอนกี่นาทีนะอ่ะนานตั้งแต่เช้าตรู่นะเช้าตรู่ของอิสราเอลคือตะวันขึ้นนะจนถึงเที่ยงวันก็วันเที่ยงถ้าเช้าตรู่สัก6กโมงถึงเที่ยงวันก็เที่ยงหกชั่วโมงนะไม่รู้มีเข้าห้องน้ํากันบ้างปะเนี่ยอ่นานตั้งแห โมงเช้าถึงเที่ยงนะตอนนี้เราสามโมงแล้วนะถ้าผมจะอ่านพระกัมภีร์ไปจนถึงสามทุ่มผมว่าผมเหลือคนคนเดียวแน่เลยทาให้เราเห็นภาพหิวกระหายจริงๆใช่ไหมไม่หิวเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกหกชั่วโมงนอกจากนั้นนะก็ยังตะแคงหูฟังที่ตะแคงก็เพราะว่าตอนนั้นมันมีอเครื่องแบบนี้ไงแล้วคนเป็นพันพันคนเนี่ยเขาอ่านอ่าเนี่ยบางคนก็ต้องฟังฟังตะแคงหูฟังอะ่ะ สงสัยจริงๆว่าหลับเป็นบ้างเปล่าแต่ว่าที่พ้อพีพูดแบบนี้เนี่ยทำให้เราเห็นอะไรเห็นใจของคนที่หิวกระหายองไม่มีเครื่องสยายเสียงไม่มีไม่มีเวลาไม่ใช่เรื่องสนุกไม่มีเรื่องเล่าอะไรที่เชิดท้าชูอ่านธรมธรมดาธรรมดานะสิ่งที่เราเห็นคือความพยายามและความตั้งใจของคนที่หิวกระหายไม่ทราบเราเคยหิวกระหาย แบบนี้ไหมผมเคยนะแมมพูดแล้วเดี๋ยวก็อายนะอายตัวเองปัจจุบันนะฮะตอนช่วงที่หิวกระหายมีอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนที่ผมช่วงนั้นเนี่ยหิวกระหายมากเป็นคริสเตียนใหม่นะโอ้ยร้อนหลนนะอยากที่จะอ่านพระคัมภีร์อยากที่จะอ่านหนังสือวรรณกรรมคริสเตียนตอนนั้นช่วยงานที่บ้านนะผมก็ดื้อรั้นนิดหน่อยนะผมสนใจนะผมบอกว่าเก้าโมงผมเริ่มทํางานเมื่อก่อน9ก้าโมงเนะี่ยพ่อไม่ต้องมาเรียกนะ ผมจะอยู่นอนห้องนะผมตื่นนักศต่ห้านะตอนนั้นนะเขานั้นไม่ได้โอวดเลยนะแต่ว่าตอนนั้นมีความรู้สึกแบบนี้จริงๆว่าเพราะผมไม่อยากทํางานผมอยากผมอยากเรีนบัน้มพีผมอยากรับใช้พระเจ้าแต่ว่าทําไม่ได้เพราะที่บ้านยังไม่ได้มีเวลากันตอนช่วงนั้นหาศตีห้าจนถึงเก้าโมงเช้านะตื่นแต่เช้าทุกวันนะไม่รู้เอาความหิวกระหายนี้มาจากไหนสิ่งที่ไม่รู้คือว่าตอนนี้มันหายไปไหน บางคนอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้นะบางคนอาจจะมีท่าทีความขิวกระหายผมผมรู้จักผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะเขาเล่าให้ฟังนะว่าจะไปจะไปโบสถนี่ผู้รับใช้อา จ, อ า, จารย์เขาบอกว่าสมัยก่อนคุณพ่อเนี่ยเป็นคนเข้มงวดนะพาลูกพาหลานไปโบสถทุกอาทิตย์นะแต่ว่าจะไปโบสถ์อาที่เนี่ยนะจะต้องเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ตอนเย็นต้องเดินทางข้ามเขาแล้วไปพักค้างแรมอีกที่หนึ่งก่อนที่จะไปถึงโบสถวอาทิตทําอย่างนี้เป็นประจํา สม่ำเสมอเพราะอยากจะนมัส ก, การและฟังคำเทศนานั่นคือใจที่หิวกระหายถ้าฟังแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเข้ออ้างที่ไม่มีเวลางานเยอะอ่านยากจริงๆไม่ใช่เข้าออ้างปัญหาที่แท้จริงคือไม่หิวขาดความหิวกระหายไม่ทราบว่าพวกเราตอนนี้ความหิวกระหายเป็นอย่างไรกันบ้างนะถ้าขาดอยู่นะ ขอพระเจ้าเมตตามีผู้รับใช้ชัตนหนึ่งนะที่ผมรู้จักเป็นรุ่นน้องเคยเล้าด้วยคุยด้วยกันนะน้องชิวส่วนคนนี้ก็เริ่มต้นดีมากนะตอนช่วงที่มาเป็นคริสเตียนใหม่ๆก็เคยมีประสบการณ์เหมือนผมเนี่ยหิวเนี่ยอ่านาพระคัมภีร์นะอ่านรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอ่านอ่านอ่า น, า น, า น, านจนมีประสบการณ์กับพระเจ้านะแต่ปัจจุบันเริ่มรับใช้พระเจ้าเริ่มเขาเริ่มเรียกว่าอะไรนะเริ่มเริ่มตกลงจิตใจชีวิตไม่ค่อย ไม่ค่อยกระตือรือร้ น, นมันขาดอะไรไปบางอย่างผมก็เลยถามว่ า, าแล้วชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าเป็นยังไงก็โอเคก็เฝ้าเดี่ยวทุกวันอ่ะงั้นชีวิตเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ไม่ไม่เอาเอาฟังเสียงพระเจ้าเป็นยังไงก็พูดไปพูดมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็บอกทําไมไม่ค่อยดีบอกว่าก็งานเยอะบางทีก็กลับดึกนะเฝ้าเดี่ยวยังไงก็บอกว่าเาฝ้าเดี่ยวตอนเช้า ทำอย่างไรก็อ่านมานาสั้นๆนะแล้วก็ไปเพราะเวลามีน้อยนะอ่าทางนั้นเวลากลับบ้านกี่โมงบอกว่าถามละเอียดนะโทษนะระลับร ล, ล, ลวงกับบางแล้วแต่วันนะหลายบางวันก็กลับหกโมงกลับบ้าน6กโมงแล้วนอนกี่โมงอ่ก็นอนดึกเหมือนกันอ้าวแล้วทําอะไรอะ่ะก็ยอมรับนะกลับบ้านก็ดู Facebook ดูใช้เวลากับ Facebook กี่ชั่วโมงแล้วแต่ไม่เท่ากันอ้อาวเฉลี่ยเฉลี่ย ก็แล้วแต่บางวันบางทีก็ดูไปเรื่อยบางทีก็ดูแล้วลืมไปบางทีก็ถึงตีหนึ่งหโมงถึงตีหนึ่งกี่ชั่วโมงเจดชั่วโมงมันเพลิน hey, เป็นอย่างนี้กันหรือเปล่าจริงๆแล้วนี่คือไพยคุกคามของชีวิตคริสเตียนไัยคุกคามของพระวจนะเลยนะใช้เวลาเฟสตั้ง7ดชั่วโมงนะถ้าพระวิชใช้เวลากับบัมปี7็ดชั่วโมงโอ้โห คงชื่นชมยินดีจริงๆคงได้เรียนอะไรบางอย่างที่ไม่เคยได้ยนนี่คือเรื่องของการหิวกระหายหิวอะไรบางอย่างแต่เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยแย่งเวลาของเราไป Facebook ก็ดีอิน t ต g r กรมก็ดีหรือว่าหนังข่าวสื่อบันเทิงข่าวตอนมีโอลิมปิกฟุตบอลสิ่งที่เราชอบพอปบี Poppy ทั้งหลายพวกนี้ไม่ผิดนะฮะแต่สิ่งที่ผิดก็คือเมื่อไหร่ที่มันเกินเวลาเกินกความจาเป็นเนี่ย อันนี้แย่งแย่งเวลาของเราไปเวลาคนที่หิวน้ำเนี่ยนะทำยังไงให้ขายกระหายต้องกินอะไรต้องกินน้ำนะผมนี่หิวนะโทษนะแต่ยังไม่ต้องก็ได้ผมหิวน้ำนะมีคนอ้าวนี่ไอติมฮาเกนดัสกินไปสิบถ้วยก็ไม่หายหิวนะหิวน้ำข้าวไข่เจียวก็ไม่ช่วยนะ หิวน้ําต้องดื่มน้ําหิวเพราะพะักคมอะไรก็ไม่ช่วยนะกลับมาใหม่กลับมาถ้าเราหิวกระหายพระรคำอย่าไปเสียเวลากับอย่างอื่นใช้เวลากับพระคำพระคำล้วนๆอ่านบราคัมภี์อ่านเป็นตออ่านเป็นเล่มอ่านอย่างมีความต่อเนื่องอ่านตามบริบทอ่านให้เราเข้าใจว่าพระองค์กําลังสอนอะไรพระองค์กําลังตรัสอะไรอย่าใช้เวลากับอย่างอื่นแทนไม่อย่างนั้นชีวิตของเราจะแห้งเหี่ยวและขาด ทำอะไรก็ไม่เต็มนะก็เป็นการหนุนใจตัวเองนะฮะกลับมาใช้เวลากับพระธรรมนะกลับมานะอย่าเอาเทคโนโลยีมาแทนวินัยการอ่านพระพีสิ่งที่สองที่เราเห็นจากพระธรรมตอนนี้บทเรียนที่สองคือบทเรียนเรื่องของความยำเกรงหรือการให้เกยียรตินะให้เกียรติหรือยำเกรงในข้อที่สี่ หลังจากนั้นเอสราธรรมาจารย์ก็ได้ยืนอยู่บนแท่นไม้ที่เขาทําเอาไว้นะข้างๆ้างท่านก็มีโอชื่อเต็มมั้งคีดที่อ่านยากๆอะ่มะมัตเททิยาเชมาอานานิยาอุอิยาฮิกไม่เป็นไรนะผมขอเลยไปแล้วกันนะมีอยู่ส่วนหนึ่งอยู่ข้าง ข, างขวามืออีกส่วนหนึ่งอยู่ข้างซ้ายมือของเอสลานะแล้วข้อที่หาบอกว่าเอสลาได้เปิดหนังสือต่อหน้าประชาชนทั้งปวงเพราะท่านอยู่สูงกว่าประชาเหมือนอย่างเนี้ยคล้ายๆอย่างนี้เป็น เป็นเวทีทำขึ้นมาโดยเฉพาะสูงกว่าประชาชนท่านก็เปิดหนังสืออ่านนะเปิดปเปิดเนียตอนนั้นไม่ใช่หนังสือเงี้ยตอนนั้นเป็นหนังสือมวนเปิดออกปับ๊บประชาชนก็ฟุบลุกขึ้นยะืนนะก็เสียงกระหึ่มนะผมก็สาวเอฟเฟกนิดหน่อย <c oughs> แล้วก็เสร็จแล้วน ะ, ะเมื่อยือนเสร็จปั๊บนะแล้วก็เอสราก็ ข้อที่6ก็บอกว่าเอสราก็สรนเสริญพระเย้าหัวพระเจ้ายิ่งใหญ่นะพอเปิดเสร็จแล้วสันเสริญสันเสริญเสร็จปั๊บประชาชนก็ตอบว่าอเมนอเมนเสียงใหญ่ๆนะเยอะๆนะแล้วก็พร้อมกันแล้วก็ยกมือเสร็จแล้วก็โน้มตัวลงโทษนะนี่ยทำให้เหมือนหน่อยโน้มตัวลงถามไหมเอสราทำอะไรผู้ประชาชนทําอะไรประชาชนกําลังนมัสการ ไม่ใช่พ่อขมพีนะนมัส ก, การพระเจ้าบทเรียนนี้คือบทเรียนเรื่องของการยําเกรงหรือการนมัส ก, การพระเจ้าพ่อขมพีเกี่ยวข้องกับการนมัส ก, การพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการยําเกรงพระเจ้านะเมื่อเอกราชเปิดปั๊บประชาชนยืนขึ้นนะก็บางบทก็ อ, อ่านพ่อขมพีก็ขอลุกขึ้นยืนก็เป็นการให้เกียรติพระวจนะบางบทก็นั่งอ่กไ็ไม่ได้ผิดอะไร นักหานะฮะแต่ว่าการยืนก็เป็นการให้เกียรติเหมือนกับเรายืนสรรเสริญพระบามรมีนั่นก็เป็นภาพของการให้เกียรติใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นภาพแล้วก็เอเสราพอเปิดปั๊บเอเสลาก็สรรเสริญพระเจ้าก็แสดงให้เห็นว่าหนังสือเล่ม น, นี้อย่างที่เราพูดกันนี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดานี่คือพระวจนะคนที่อ่านกำลังคนที่อ่านก็ ค, นนนคือกำลังอ่านเหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสคนที่ฟังกําลังฟังสิ่งที่พระเจ้ากําลังจะบอกพระคัมภีร์ เหมือนกับสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกอะไรกับเรานะงนั้นเขาก็เลยมีการยกมือยกมือเป็นภาพของการอธิษฐานยอมรับนะล้วบอกว่าอาเมนอาเมนเสร็จแล้วก็คุกเข่ากราบนมัสการนี่เป็นภาพของการยำเกรงและให้เกียรตินี่คือการให้เกียรติให้เกียรติอะไรให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติสิ่งที่พระองค์ส่งตรัสภาพของการให้เกียรติพระว จ, จนะนะ การให้เกียรติก็ตรงกันข้ามกับการหมิ่นประมาทหรือการไม่สนใจนะเพราะั้นการอ่านพระคัมภีร์เราอ่านแบบให้เกียรตินะพระคัมภีร์จึงไม่ใช่เป็นแค่คําสอนศา ส, สนาหรือปรัชญาดีๆจริงๆก็มีปรัชญาดีๆเยอะเลยนะแต่พระคัมภีร์เป็นมากกว่านั้นเพราะว่าคําปรัชญาเหล่านี้ไม่เปรียบเทียบกับปรัชญาอื่นของโลกไม่ใช่แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาเป็นเหมือนสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้เรากระทาหรือพระคัมภีร์ ไม่ได้อ่านเพียงแค่เพิ่มความรู้ไม่ได้เอาแค่ความรู้แต่เราอยากจะรู้เพราะอยากจะรู้ว่าพระเจ้าตรัสอะไรกับเราพระคัมพี์ไม่ใช่แค่สูตรของความสําเร็จด้วยไม่ได้บอกว่าอ่านพระัมพีนะจ ะ, จะเจริญขึ้นจะรวยขึ้นจะประสบความสําเร็จจะทุกไม่มีทุกโศกไม่สุขสบายนะอันนี้ไม่จริงนะฮะเปาโลยังบอกทิโมธีให้ดื่มนะละเล่าหง่บ้างนะเพราะว่าเพื่อประโยชน์กับกระเพาะเลยใช่ไหมนะเปาโลในที่สุดก็ยัง เสียชีวิตไม่ดีเลยนะจริงๆพระคมภีร์มันคือคำตรัสคำสั่งคำสอนที่พระเจ้ามาถึงเรานะสิ่งที่สำคัญก็คือเราแคร์พระคัมภีแค่ไหนเราแคร์เราให้เกียรติแค่ไหนนะถ้าเปรียบเทียบเสมือนอเอสลาร์เปิดหนังสือแล้วกค็คนเมื่อกี้ก็ก้กมกราบเนี่ยผมคิดถึงเรื่องหนังจีนน่ะนึกถึงหนังจีนมีพระบรมราชโองการพางๆแล้วก็ พอคนเดินขึ้นปับคนที่รับก็ปับปั บ, บ, บ, บ แ, ลแล้วก็คุกเข่าใช่ไหมแล้วก็ฟังใช่หมว่าพระราชโกงการเนี่ยมาอะไรนะจะบอกอะไรปุ้นบําเหน็จหรือว่าเป็นคำสั่งหรือว่าการลงโทษนะต้องรับหมดไม่มีสิทธิเลือกนะพระคัมภีร์เป็นภาพแบบนั้นนะคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสก็คือสิ่งที่เราจํารับรู้ไว้นะเอาไว้ในชีวิตนะ การให้เกียกรติคือการคือการรักษาการตรงกันข้ามกับการหมิ่นประมาทการไม่ให้เกียรติก็คือการไม่สนใจปล่อยปละละเลยทิ้งนะพระเจ้าตรัสไม่ตรัสธรรมดาตรัสอย่างมีวัตถุประสงค์เปรียบเทียบกับลูกกับพ่อแม่ลูกคนไหนที่ให้เกียรติพ่อแม่ก็คือลูกที่เชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่นะพ่อแม่บอกอะไรปั๊บเยสเซอร์ทำทันทีนะ ถ้าลูกที่ไม่เกียรตเหรอพ่อแม่บอกซ้ายจะไปขวาผมมีลูกวัยรุ่นเป็นอย่างนั้นเลยกระเพราะฉะนั้นอยากให้เขาไปขวา บ, บอกขวาไม่ได้นะบอกซ้ายอยากให้เขาไปขวาการไม่เคียรตคือการกระบดไม่ทำตามที่พระองค์บอกหรือการละเลยทำหูทวนลมเอาหูไปนาะเอาตาไปไล่บอกเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะบางคนก็ทำอย่างนั้นกับพระวจนะนะ ทำอย่างนั้นอาจจะไม่ได้ตั้งใจทําทําตอนไหนทําตอนง่วงนอนบางคนบอกว่าอ่านพร่คัมภีร์เนี่ยอ่านดีที่สุดเลยอ่านก่อนนอนเพราะอ่านแล้วหลับสบาย <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ได้อย่างนั้นนะตั้งใจคนที่ให้เกียรติก็คือคนที่ฟังอย่างตั้งใจนะหรือการไม่ให้เกียรติบางครั้งเป็นเหมือนกับเด็กเนี่ยจะเชื่อฟังก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขใช่ไหมฟังก็ต่อเมื่อได้อะไรจะจะซื้อโทรศัพท์ให้แล้วก็บอกอะไรมาทัำหมดนะ อันนั้นก็ไม่ใช่นะพระเจ้าของเราก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะตั้งใจฟังเพื่อแรกอันนี้ศินบนไม่ใช่พระมพีหากเราจะให้เกียรติพระเจ้าซะหน่อยหนึ่งนะเชื่อฟังพระคําอ่านพระคําสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อ7บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาคนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาลักคำสั่งสอนคนมีปัญญาเนี่ย คือคนที่พระเจ้าอวยพรเริ่มต้นจากการยอมจำนวนใจที่ยอมที่จะเชื่อฟังและพร้อมที่จะให้ขพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตนะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราขาดใจหิวกระหายขอพระเจ้าอธิษฐานขอถ้าหากเราขาดใจยำเกรงหรือการให้เกียรติขอพระเจ้าอย่างเดียวไม่พอต้องตัดสินใจด้วย พร้อมที่จะเชื่อฟังหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือธรรมดาเป็นหนังสือที่พระเจ้าให้อย่างมีจุดประสงค์เพื่อเราทั้งหลายที่เป็นประชากรของพระเจ้าจะเชื่อฟังสิ่งที่สามนะครับบทเรียนที่3ที่เราเห็นจากตอนนี้คือบทเรียนเรื่องความเข้าใจเรื่องการเข้าใจนะหลังจากนั้นก็เราจะเห็นว่าประชาชนคนที่อยู่กับเอสราทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยนะจริงๆเขาไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆเขาเป็นคนที่มีหน้าที่ด้วย ข้อที่เจ็ดบอกว่าอันหนึ่งเยชูอาบานีเชเลบิยายามีนอคูบชับเบไทยโอโฮดิมาอาเซมาอาเซอาเทเคลิธาอาซาลิยาเยซาบาตครับเป็นลายาคนเหล่านี้เขาเป็นพวกเลวีนะฮะแล้วก็บอกว่าพวกเลวีเนี่ยได้ช่วยประชาชนให้เข้าใจในธรรมบัญญัติฝ่ายประชาชนอ่ ก็ยังอยู่ในที่ของตนและเขาทั้งหลายก็อ่านหนังสือจากธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นตอนๆแล้วก็แปลความประชาชนจึงเข้าใจข้อความที่อ่านนั้นนะตอนนี้เอสราณนะมากับทีมงานนะทีมงานเขาเป็นใครเขาเป็นพวกเลวีเลวีคือใครเลวีคือคนที่ถวายเครื่องบูชานะแต่ตอนนี้เลวีไม่ได้ทำหน้าที่แค่ถวายเครื่องบูชาตอนนี้เลวีทาหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งคือกาลังสอน แปลความนะเลวีพวกนี้คือผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในธรรมบัญญัตินะเลวีตอนนี้ทําหน้าที่แปลความเป็นตนัวตอนให้เขาฟังแล้วเข้าใจทําไมต้องแปลความล่ะอ่านอย่างเดียวเขาไม่เข้าใจเหรอเขาไม่เข้าใจทําไมเขาไม่เข้าใจล่ะต้องอย่าลืมว่าพวกเขาเป็นเป็นเชลยที่บาบิโลนเสียนานภาษาเริ่มเปลี่ยนละจากภาษาฮิบรูเขาเริ่มใช้เป็นภาษาอารามกีกละนะบามภีที่เขียนเป็นภาษาฮิบรูเขาต้องแปลาจากฮิบรูเป็นอารามกีก นอกจากแปลภาษาแล้วนะยังแปลวัฒนธรรมด้วยวัฒนธรรมเริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะ่ยคำหนกรำเนียมยิวเนี่ยเริ่มไม่ค่อยเข้าใจแล้วประวัติศาสตร์ก็ไม่เข้าใจรักโมเสสเป็นใครอาโรสเขาไม่รู้เรื่องเขาค่อย ๆ, ๆสอนนะนะในเวลาห่างกันประมาณเจ็ดปดิปีนะเขาหลายอย่างต้องกลับมาสอนแล้วนะต้องแปลความถึงจะเข้าใจ ถ้าพวกอยู่ด้วยกันเองนะตกไปเป็นเฉลยไม่กี่สิบปีหนึ่งรุ่นเท่านั้นเองนะกลับมาแล้วอ่านพระคัมภีร์แล้วยากแล้ไม่เข้าใจต้องหาคนช่วยแล้วก็คนไทยศตวรรษที่21ใช้ภาษาไทยอ่านพระคัมภีร์เดิมอ่านพระคัมภีร์ใหม่แล้วหาว่ายากนะก็ทําใจเถอะมันยากจริงๆต้องอาศัยผู้รู้ต้องอาศัยนักศึกษาพิเศษรำรอย่างผมนี่ไง คนที่เรียนมาหรือว่าคนที่เป็นพี่เลี้ยงก็ได้นะที่มีความรู้ก่อนถึงจะเข้าใจเพราะฉะนั้นพมพีเนี่ยด้านหนึ่งยากนะข้ามทางด้านภาษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศาสนศาสตร์นะต้องเข้าใจหลายอย่างนะหากไม่มีความเข้าใจดีนะการอ่านพมพีก็เป็นไปได้ที่เราจะตีความตามใจของตัวเราเองผิดเพี้ยนไป่ง่ายปัจจุบันนี้ผิดเพี้ยนคําสอนผิดเพี้ยนเต็ไมไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นบทเรียนตอนนี้กําลังสอนให้เราเระมัดระวงัง เ, เอาจริงเอาจริงกับการศึกษาพมพี ต้องเข้าใจเป็นอย่างดีนะใครที่เป็นครูลวีใครเป็นนักเทศอย่างผมนะฮะหรือคนสอนนะพวกเราเหมือนกันพวกเราลงเรือดำเรียวกันต้องทำงานหนักกว่าที่จะได้ความจริงและความเข้าใจขอ ง, องพ้อพีแล้วมาเปิดเผยนะนี่เป็นงานของครูลวนะงานเรางานมีเกียรติมากนะสำคัญมากนะแต่ต้องทำงานหนักนะขณะเดียวกันพวกเรานะอาจจะไม่ไเป็นครูลวีนะเราสามารถที่จะทำงานหนักเรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยมีแอปอัพ เต็มไปหมดเลยที่จะเป็นเครื่องมือช่วยเหล่านะอย่าอ่านพ้อมีแบบง่ายๆหาแต่งง่ายๆหนุนใจอ่านเป็นเล่มอา่อานอ่านเรื่องที่ต่อเนื่องเรื่องที่พ้อมีเป็นพ้อมีจริงๆแล้วลองศึกษาเป็นเล่มๆดูสิลองหาอะไรมาอา่านลองหาผู้รู้สอนคํานำดูสิแล้วลองอา่านนะเราจะติบโตมากขึ้นมากึ้นโอ้มีงานเยอะเลยสําหรับคริสเตียนไทยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าเราออนแอกันจริงๆต้องพัฒนาพ้อมีต้องเข้าใจงานยาก อีกด้านหนึ่งหนุนใจนะแม้ว่าขบเพิอมพีจะเป็นงานยากนะแต่กระบวนการความเข้าใจเพิอมพีเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเข้าใจได้ระดับหนึ่งคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยอ่านแล้วยังพอเข้าใจได้เลยนะผมมีตัวโกตอนนี้แกแก่แ ก, ก็ไม่ไหวแล้วป่วยอยู่นะตัวโกเนี่ยผมพูดเรื่องนี้ทรรศผมนึกถึงตัวโกทุกทีเลยตัวโกเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือไทยรู้หนังสือจีนงงๆปล่าเปลาอ่านแต่ละคำเนี่ยอ่านยากมากตัวโกเนี่ย จะเปิดอ่านพระครรมภีตตอนนี้นะจะต้องไปถามสามีนะว่าไคํานี้แปลว่าอะไรตัวก็ก็ไปถามสามีก็บอกคํานี้แปลว่า น, นี้นะตั ก, ก็ก็อ่านอ่านทีละคําแล้วก็ต้องรอสามีอารมณ์ดีก่อนนะฮะไม่ถามบ่อยๆเดี๋ยวเขาจะโกรธเอา <c oughs> อ่าคํานี้หลักคาทีละคําสะสมทีละคานะตัวเตียก็บอกทีละคํานะปรากฏว่าไปเจอคํา คำเดิมโอ้ยลืมสมองไม่ดีลืมคำเดิมทําไงเนี่ยจะไปไปถามเดี๋ยวก็หาว่าขี่ลืมเดี๋ยวต้องรออารมณ์ดีก่อนแล้วก็ค่อยๆไปหานะบางทีก็บางที่ก็ปวดปัดลำคานบ้างโกรธบ้างนะแต่ก็ค่อยๆได้มาแต่ละคำํำตกลงเล่าให้ผมฟังแบบนี้เขากว่าจะได้แต่ละคำนาี่ยากมากเลยนะแต่ว่าเขากําลังเรียนเรียนอ่านภ า, าษาจีนอ่านาพระคมภี์นะจนตกลงเล่าบอกว่า จนอ่านมาถึงบางตอนโอ้โห و, ซึ้งใจตัวโกนี่ร้องไห้น้ําตาไหลแล้วว่าเจ้ารักเราจริงๆโอ้โหผมเนี่ยมีความรู้ภาษาไทยดีนะอ่านนะอาจจะไม่แตกชานเหมือนหลายคนนะอ่านอ่นแต่ก็อ่านอ่า น, า น, า น, านเรียกว่าภาษาไทยแตกชานระดับหนึ่งกี่ครั้งที่อ่านบัมพีซึ้งน้ําตาไหลพระเจ้าตรัสกับเราได้ผ่านพระวจนะแม้ว่าไม่ค่อยรู้ น, นี่หนุนใจนะฮะว่า ขอหนุนใจให้อ่านพระคัมภีร์มีบางอย่างที่เราไม่เข้าใจแต่มีบางอย่างที่เข้าใจได้บุคคลผู้สนใจพระวจนะก็พบของดีผู้วางใจในพระเจ้าจะสุขสบายอยากได้ของดีอ่านพระคําพระเจ้าต้องเข้าใจนะบทเรียนนะก็มีหิวกระหายนะมียำเกรงให้เกียรตินะแล้วตอนนี้เข้าใจ บ, บทเรียนสุดท้ายเป็นเรื่องของการตอบสนอง หลังจากนั้นเนหมีอ่านเสร็จปั๊บข้อที่เกบอกว่าเอเสสาอ่านข้อทเกบอกว่าเนหมีผู้ราชการและเอสสะปุโรหิตและธรรมอาจารย์และคนเลวีผู้สอนประชาชนแต่พูดกับประชาชนทั้งปวงว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แต่พระเยโฮว า, พ ร, ฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายอยา่าขำครวญหรือร้องไห้เพราะประชาชนได้ร้องไห้เมื่อเขาได้ยินถ้อยคํำทำบัญญัติโอ้ยในขณะตื่นเต้นนะประชาชนร้องไห้เหมือนตโกเลยเมื่อกี้ ร้องไห้เพราะอะไรเพราะเขาได้ยินทำบัญญัติฟังแล้วก็ตกใจนะฮะไม่ได้ร้องไห้เพราะได้ไ ด, ได้ได้ฟังสตอรี่ดีๆได้ดูคลิปเมืองไทยประกันชีวิตอันนี้ร้องไห้เพราะได้ยินทำบัญญัตินะร้องไห้เพราะทาบัญญัติร้องไห้เพราะเรื่องยากทำไมละ่ะเ้าที่ร้องไห้ก็คงจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยพระคำของพระเจ้าในแตะใจนะ สิ่งที่แตะใจก็ค <and> ืออาจจะรู้ถึงทำให้รู้ถึงความผิดบาปมาตั้งนานแล้วที่ทำอาจจะทำให้รู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยไม่พอทยเหตุผลทำไมล่ะเราถึงต้องถูกลงโทษหรือว่าจะทำให้ทให้รู้ถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทำให้เขาได้กลับมาแม้ว่าเขาทำบาปมากมายคงไม่มีเหตุหลายเหตุผลแต่รู้แต่ว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยกระแทกใจกระแทกชีวิตกระแทกสิ่งที่เป็นอยู่นี่คือเหตุผลที่พระคาของพระเจ้าเนี่ยทให้คน ซาบซึ้งใจเพราะไม่ได้ซาบซึ้งจากพระคำแต่ซาบซึ้งในความผูกพันที่มีกับพระเจ้าเหมือนในทัปธรรมฮีบรูบทที่สีข้อที่12บสองกว่าพระวจนะพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยพระคําของพระเจ้าเปลี่ยนข้างในเลยลงที่ลึกที่สุด ส, สิ่งที่ยากที่สุดเปลี่ยนชีวิต นำสุขการตอบสนองนำสุขการร้องไห้หลายครั้งฟังเทศก็ร้องไห้ได้อ่านพระคัมภีร์ก็ร้องไห้ได้เพราะพระเจ้าแตะข้างในแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือเนฮมีกับเอสราแล้วก็เลวีเนี่ยกับไม่ได้ปล่อยให้เขาร้องไห้ ข้อที่10บอกว่าแล้วท่านพูดกับเขาทั้งหลายว่าไปเถิดไปรับประทานไขมันและดื่มน้ำหวานและส่งส่วนอาหารให้กับคนที่ไม่มีอะไรเตรียมไว้เพราะวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่าสกเศร้าเลยเพราะวาความชื่นบานของอ่ตนในพระเจ้าเป็นกำลังของท่านเลวีึงให้ประชาชนเงียบบอกว่าจงนิ่งเสียเพราะวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์อย่าทุกโศกเลย แล้วประชาชนก็เลยไปกินและดื่มส่งส่วนอาหารให้กับคนที่ไม่มีแล้วก็เปลีป่ยมเปลี่ยอย่างยิ่งและข้อสุดท้ายเพราว่าเพราะเขาทั้งหลายเข้าใจถ้อยคําที่ประกาศให้เขาฟังเข้าใจสุดท้ายกลายเป็นความชื่นชมยินดีเอสรากับเนยมีกับ พ, กพวกไม่ได้บอกให้พวกเขาร้องไห้ร้องยิ่งเยอะยิ่งดีไม่ได้บอกอย่างนั้นนะฮะ แม้ว่าน้ำตาเนี่ยจะสื่ออะไรบางอย่างแต่เป้าหมายของการอ่านพ่อผีไม่ใช่น้ำตาแมใ้ใครอ่านพ่อผีแล้วไม่ร้องให้อย่าเสียใจไปเลยเราไม่ได้มาผิดเรามาถูกทางเป้าหมายสำคัญไม่ใช่ร้องให้แต่ไม่เป้าหมายสำคัญคือความชื่นชมยินดีและเป้าหมายสำคัญไม่ใช่น้ำตาแต่เป็นการเปลี่ยนชีวิตสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาหนุนใจคือการเปลี่ยนชีวิตให้เขาได้รู้ว่าเอสราให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้ามีพระคุณ และพระพรเห็นได้พระมหพิหมายเนี่ยมีพระคุณตั้งแต่พระมหพิหมายแล้พระเจ้ามีพระคุณตั้งแพวกเขาในสิ่งที่เขาทําผิดทําบาปเมื่อเขากลับมาหาพระเจ้ากลับใจพระเจ้าคืนความยินดีเข้าหาพระเจ้ามีแต่ความสุขและความยินดีนี่คือเป้าหมายในสิ่งที่เอสลาต้องการให้ทุกคนรู้ว่านี่คือพระคุณนั้นกลับมาเฉลิมฉลองกลับม า, าหาพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีนะนี่ก็กลายเป็นภาพการตอบสนองและเป็นความชื่นชมยินดี ยิ่งใหญ่หากเราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์หลายครั้งจริงๆแล้วเราเศร้าใจกับสิ่งที่ไม่ควรจะเศร้าใจนะเศร้าใจเหมือนกับคนทั่วไปที่ไม่มีพระเจ้าแต่อ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์ของพระเจ้าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตใจให้มาสู่ความชื่นชมยินดีวันนี้วันอาทิตย์เรามาโบสถเรามาฟังพระคัมภีร์เราคิดถึงพระเจ้าเราชื่นชมยินดีวันจันทร์เราไปทํางานเราเจอส้ายการณ์เดิมๆหลายครั้งเราลืมนะชีวิตจริงเมื่อเราอยู่ท่ามกลางของคนทั่วไปเนี่ย เราอยู่ท่ามกลางคนที่มักจะไม่มีพระเจ้าโดยส่วนใหญ่เลย90เมืองไทยมีคริสเตน 1% 99% เนี่ยเราอยู่ใน 99% ที่ไม่มีพระเจ้ามีปัญหาเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องการเงินเรื่องพดน่วม ง, งานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องลูกเรื่องปัญหาที่เราแก้ไม่ตกอธิษฐานแล้วดูเหมือนพระเจ้าไม่ตอบสนใจสิ่งอื่นแทนที่จะสนใจว่าพระองค์ปรารถนาอะไรหลายครั้งการไม่อ่านพระคัมภีร์ทำให้ศูนย์กลางภายในของเราสั่นคลอนอยู่ในโลก เหมือนคนไม่มีพระเจ้าแม้ว่าเราเป็นคริสเตียนพระคัมภีร์ช่วยปรับทัศนคะะติให้กับเราให้กลับมามีชีวิตใหม่นะแม้ฟังแบบนี้ก็ผมก็อยากจะอับกลับบ้านเร็วๆว่าอ่านพระคัมภีร์แล้วอยากจะบอกอันนี้เป็นคำพยานส่วนตัวนะฮะอยากจะบอกว่าผมเป็นคริสเตียนมายีสกว่าปีนะอ่านพระคัมภีร์นะไปเรียนพระคัมภีร์มาก็หลายปีนะอ่านพระคัมภีร์เห็นคุณค่าพระคัมภีร์นะมีประสบการณ์ก็หลาย หลายอย่างกับพัมพีนะแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่หลายคนกําลังดิ้นหลนต่อสู้ต่อสู้กับพระคัมภีร์กับเฟซบุ o กไลน์อะไรพวกนี้ผมเชื่อว่าหลายคนต่อสู้ผมก็ต่อสู้ผมก็ดิ้นหลนหลายครั้งหิวกระหายผมก็ยังไม่ได้หาพระคพัมอันนี้เป็นชีวิตจริงเป็นประสบการณ์จริงผู้รับใช้คนหนึ่งกับ ประสบการณ์แบบนี้แต่หลายครั้งอ่านพ้อพีก็เหมือนน้ำพึ่งหยดจากหลวงจริงๆแต่บางครั้งคุณภาพเวลาไม่ได้อ่านมาจนช่วงง่วงนอนสมองไม่คิดอะไรไม่รับเวลานั้นปิดซะเละเพราะว่าการอ่านก็อ่านเพื่อพิธีกรรมเท่านั้นเองยอมรับเสถะว่าฉันไม่หิวกระหายฉันไม่มีใจกลับมาเริ่มต้นใหม่ผมขอพระเจ้าทุกวันขอพระเจ้า ช่วยต่อสู้นะให้มีชีวิตที่มีประสบการณ์ให้พระคำเปลี่ยนชีวิตนะไม่ให้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ให้เยอ่อหยิงไม่ให้ไม่ให้มองที่คนแต่ให้มองที่พระเจ้าไม่ให้กลัวกับปัญหาสารพัดแต่พร้อมที่จะเผชิญปัญหาเพราะพระเจ้าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยอมแก้ไขในสิ่งที่ผิดมองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองได้เสมอขอพระเจ้า ให้ไม่พลาดต่อพระพรที่พระเจ้ากำลังตรัสกับเรานี่ของผมผมว่าพี่น้องขอด้วยเหมือนกันถ้าหากเกิดไล่เกิดขึ้นนะถ้าเกิดคนในที่ประชุมในห้องนี้นะใช้เวลาพอ่ออมพีมากกว่าใช้เวลาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผมคิดว่าการฟื้นฟูก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยเกิดในชีวิตของเราก่อนเอเมนไหมครับให้เราขอพรจากพระเจ้าด้วยกัน สาธุการค้าแต่พระบิดาพระเจ้าที่รักเราขอขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเมตตาแก่ข้าพระองทั้งหลายหวังดีกับข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอแต่หลายครั้งยอมรับว่าเราอยู่ในยุคที่เราต้องต่อสู้กับหลายอย่างเราไม่ได้มีข้ออ้างว่ายุคนี้ต่อสู้กว่ายุคอื่นเพราะเราเชื่อว่าทุกยุคก็ล้วนแต่มีการต่อสู้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ข้าแต่พระเจ้าในสิ่งที่เราขาดอยู่ความหิวกระหาย ความปรารถนาความอยากจะรู้ว่าพระองค์สอนอะไรความปรารถนาอยากจะเชื่อฟังอยากจะยำเกรงอยากจะยอมจำนนอยากจะมีชีวิตที่ให้พระองค์ทรงใช้อยากกับเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่ผิด อยากจะยอมรับผู้อื่นในสิ่งที่เขาเป็นข้าแต่พระเจ้ามีมากมายที่เรายังเป็นคนบาปเรายังต่อสู้ขอพระเจ้าช่วยช่วยครับลงทั้งหลายช่วยพี่น้องในที่นี้กับใครที่มีความทุกข์มีทุกข์กายทุกใจขอพระเจ้าทรงโปรดตรัสกับเขาขอพระเจ้าเรียกร้องพื่อเราทั้งหลายจะไม่เป็นคริสเตียนแบบเช้าชามเย็นชามเป็นคริสเตียนแบบไม่สนใจอะไรพระคำสนใจแต่งานประจําวันสนใจชีวิตส่วนตัวขอพระเจ้าช่วยด้วยเถิดว่า การเขีนของโปร่งนั้นมีค่ากว่า น, นี้มากขอช่วยที่คาโปร่งทั้งหลายจะกลับเป็นคริสเตียนที่ล้นหลนพร้อมที่จะให้พระเจ้าขัดเกลาพร้อมที่จะรับการฟื้นฟูจากพระองค์ใอ้ทานขอพรขอพระเมตตารวมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าประพั์ครับ